เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานพิจารณากายจากนั้นจึงก้าวสู่วิปัสสนากรรมฐานคือการพิจารณากายที่ยาวาหนาคืบนี้ เพื่อให้เห็นความเป็นจริงว่ากายนี้เป็นเราจริงหรือไม่พิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นแม้ว่าการบังคับจิตใจให้ออกมาพิจารนานี้เป็นสิ่งที่ไม่สะดวกนักเพราะจิตใจที่ติดอยู่ในสมาธิจะเพลินอยู่ในสมาธิยากจะออกมาพิจารณา จึงต้องบังคับจิตให้ออกมาทำงานทางด้านปัญญาบ้างโดยต้องฝืนและบังคับซึ่งก็ไม่เป็นผลนักในตอนแรกแต่ก็จำเป็นต้องออกมาพิจารณาดังที่กล่าวมาแล้วโดยพิจารณาผมดูว่าเป็นเราจริงหรือไม่เราลองเอากันไกตัดผมของเราทิ้งไปเล็กน้อยแล้วลองพิจารณาดูก็ไม่แตกต่างจากขนของสัตว์ทั่วไป แล้วเรายังจะว่าเป็นผมของเราได้อย่างไรกันเส้นขนตามร่างกายนี้ก็เช่นเดียวกันจะเห็นว่าเป็นเราได้อย่างไรเล็บที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วทั้งสิบเมื่อเอากันไกลตัดเล็บออกมาวางไว้กับพื้นก็พิจารณาเช่นเดียวกับผมและขนนั่นเองพิจารณาวนเวียนไปวนเวียนมาก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเราไปได้ ฟันเมื่ออยู่ในปากก็มองดูสวยงามดีแต่ถ้าถอนออกมาแล้วเราจะรู้สึกขยะขขยงสิ่งนี้จะถือว่าเป็นเรามันไม่ถนัดนักหนังอันเป็นคนเรานี้ไม่ว่าจะหญิงหรือชายที่ว่าสวยงามแม้จะเป็นดารานางสาวไทยหรือนางงามจักรวาลก็ตามถ้าหากว่าไม่มีหนังบางๆมาปกปิดเอาไว้เราลองพิจารณาดูว่า จะมีความสวยงามหรือไม่หากเราลอกหนังที่ปิดบางอยู่นี้ออกมาเพื่อเปิดเผยความจริงเหมือนเราลอกหนังเป็ดหนังไก่หรือหนังกบก็คงจะเห็นเนื้อแดงแเลือดไหลซึมไม่แตกต่างอะไรกับพวกซากศพผีเปรตร่างกายนี้ไม่ได้มีการหมายตัวมันแต่เราไปหมายว่าเป็นแขนเป็นขาเป็นตา เป็นร่างกายของเราร่างกายนี้แท้จริงเกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมและไฟเท่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเสื่อมสภาพไปอยู่ตลอดเวลาและจะแตกสลายไปกลับสู่ธาตุทั้งสี่ในวันใดวันหนึ่งธาตุดินก็คือส่วนของแข็งที่เป็นอวัยวะต่างๆเช่นขนผมเล็บฟันกระดูก เป็นต้นธาตุน้ำคือส่วนของของเหลวเช่นน้ำเลือดน้ำเหงือ่อน้ำตาน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำไข่ข้อน้ำย่อยธาตุลมคือลมหายใจเข้าออกลมที่วิ่งอยู่ภายในร่างกายธาตุไฟได้แก่ความร้อนภายในกายไฟเผาผลาญอาหาร ทุกชิ้นส่วนอวัยวะเต็มไปด้วยเชื้อโรคเป็นแหล่งของเชื้อโรคอย่างดีมีความเป็นปฏิกูลโสกรกต้องชำระล้างทําความสะอาดอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่หมายตัวมันเองคือไม่รู้ตัวเองไม่รู้ว่าตนเองเป็นอะไรแต่มีความยึดมั่นถือมั่นในจิตที่ไปยึดร่างกายอวัยวะต่างๆในร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเรา ให้พิจารณาเห็นเป็นความจริงว่ากายคือกายจิตคือจิตไม่ใช่อันเดียวกันแต่เป็นความไม่รู้ของจิตเองที่ไม่รู้ความจริงแล้วปยึดถือร่างกายเป็นเราเมื่อเห็นดังนี้ก็ยากที่เราจะเหมาร่างกายนี้เป็นเราพิจารณาไปนานขึ้นนานขึ้นจิตใจจะค่อยๆเห็นตามความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าพิจารณาจนนับครั้งไม่ถ้วนจนบางครั้งจิตเห็นคนที่เดินไปเดินมาเป็นกระดูกที่ไม่มีเนื้อหนังหุ้มอยู่เห็นเพียงกระดูกเปล่าๆที่เดินไปเดินมาร่างกายที่เห็นว่าเป็นของเราเวลามีชีวิตอยู่มักมีเวทนาบีบคั้นตลอดเวลาเมื่อจิตออกจากร่างกายเวลาเอาไปเผาไฟ กลับไม่มีเวทนาร้องโอดโออยู่เลยฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าจิตกับกายเป็นคนละส่วนกันไม่ปะปนกันกายเป็นเพียงที่อาศัยชั่วคราวของจิตเท่านั้นจิตก็เริ่มยอมรับความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือการพิจารณากายของข้าพเจ้าโดยสรุปย่อๆเพราะการพิจารณากายนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่มีประมาณ จึงเป็นการยากที่จะเขียนให้สมบูรณ์ในหน้ากระดาษเพียงเล็กน้อยนี้เพราะถ้าจะเขียนกันจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเขียนกันอีกกี่ยกกี่หน้ากระดาษจึงต้องขอยุติเพียงเท่านี้